ชื่ออะไรนะชื่อขอยถามดีมากนะเนี่ยมีเทคนิคอะไรเพื่อจะแก้นี่ใจสั่นดานตัวเองได้เมตตาเมตตาจะแก้ได้ทุกอ่เมตตาตนเมตตาผู้อื่นรักผู้อื่นให้ออกจากใจไม่เกลียดใครเลย ไม่ว่าใครเลยไม่คิดลบไม่คิดลบต่อใครในอาการฝึก บ, บ่อย บ, บ, บ่อยฝึกบ่อยบ่อยแล้วจะแก้ทุกอย่างได้หมดเลยแก้รัทุกอย่างได้แล้วทุกอย่างชีวิตจะดีขึ้นเมตตาตัวเองก่อนอันดับแรกอย่าคิดอะไรให้ตัวเองไม่สบายใจอย่าพูดอะไรให้ตัวเองไม่สบายใจอย่าทำอะไรให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วจะคิดอย่าพูดอย่าทำอะไรให้สามีไม่สบายใจลูกไม่สบายใจเพราะลูกสามีคือสิ่งที่เรารัก มันต้องเอาที่ใกล้ตัวที่สุดเราจะต้องหลีกเลี่ยงที่สุดที่จะไม่ไม่พูดไม่คิดไม่แต่พูดนะไม่คิดด้วยไม่คิดอะไรให้ตัวเราเนี่ยเรารักตัวเรามากเราจะต้องไม่คิดอะไรให้ตัวเราเนี่ยไม่สบายใจไม่พูดไม่ทําอะไรตัวเราสบายใจเราจะไม่พูดไม่คิดไม่พูดไม่ทําอะไรให้สามีไม่สบายใจลูกไม่สบายใจเราค่อยๆลาออกไปถึงคนอื่นพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักแล้วที่สุดคนอื่นๆที่เราอยู่ใกล้ชิดด้วย ลามไปถึงเพื่อนฝูงแล้วคนอื่นๆเจอมกระทั่าทางทุกคนในโลกนี้และไม่ใช่ค น, ย อ, นอย่างเดียวเทบบดาอินพงษ์โยมยักษ์นาคุณมาทุกคนทาสสนสเต็กจัดใหญ่เราก็ไม่บิดเบี้ยงเขาให้เป็นทุกเกินร้อนปัทนายเขาได้ดีมีสุขสุทุกคนมันมีอยู่ในแผนในวิธีสอนว่ามีคนมาถามกันว่าจะเจริลเมตตาอย่างไรไจะไม่ดำอยู่ในแผนหนึ่งเป็นสองเราไปลองฟังดูนะเราไปดูเรื่องที่เมตตานะวิธีแผ่เมตตาบทบทบทไอแผ่เมตตา เมตตาทำจมตาำจุดโลกภไม่ชออไม่ตาทำทำจุดโลกอันเนี้ยเราก็ทําแบบนั้นเนี่ยทํำปฏิวิธีแผลเมตตาในนั้นน่ะซ้าๆท า, า, า, ามันซ้ํำๆๆแล้วมันก็จะสามารถอัชนะฝ่ายฝ่ายที่คิดลบได้คิดลบต่อตนเองคิดลบต่อแต่มีคิดลบต่อคนอื่นคิดลบชอบตําหนิชอบตําหนิที่เตียน ถ้าว่าร้ายชอบตัณฑ์จิตเตียนลิงทาว่าร้ายคิดลบอย่างเงี้ยมันก็จะหายไป mm hmm. เมื่อเราเป็นเมตตาปุ๊บมันจะหายไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยและผลข้างเคียงเราก็จะมีความสุข mm hmm. เราจะเป็นที่รักของสามีจะเป็นที่รักของครอบครัวเป็นที่รักของเทวดาอินทร์พ mm ุทธญาณเป็นที่รักของคนอื่นจริงๆ mm hmm. แผ่เมตตาทอดแจกใจแล้วมีอํานาจอนุภาพล้นฟ้าเลย mm hmm. เมตตาเนี่ยมีอํานาจอนุภาพมาก ยิ่งกว่าอยู่ยงคงกระพันปืนยิงไม่ออกยิ่งกว่าแทงไม่เข้ายิ่งกว่าแคล้วคลาดเพราะเมตตาเนี่ยครอบงำเลยไม่มีใครทําร้ายยิงไม่ออกยังถูกทำร้ายแทงไม่เข้ายังถูกทาร้ายเจ็บเมตตาแคล้วคลาดเราแคล้วคลาดแต่อาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เมตตาเนี่ยทั้งเราก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน รถเราก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนรถก็อื่นไม่ทำํำไม่มาชนร้อนให้เราเดือดร้อนเมตตาจะมีอนุภาพสูงเพราะนั่นเมตตาในสูงสุดแน่นะนี่แนหะ่ถ้าเรามีครับเมตตาเราจะเป็นทีรักจะเป็นที่รักของมนุษย์เทพเวดาอินฟงยมยักษ์นาคุธสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากเข้าใกล้ใครก็อยากเข้าใกล้เราต้องมีเมตตาเมตตาเป็นแม่เหล็ก อันนี้เมตตาตัองตนเองการคิดการพูดการกระทาอะไรกับอย่าทําให้ตัวเองทุกข์เดือร้อนแม้แต่เมือนกับแบบแม้แต่บี้เหมือนกับใจเราเป็นยักษ์เลยล้วก็ให้อภัยให้อภัยให้ภัยใจเราที่มันรู้สึกกับบางครั้งเป็นยักเป็นมารเนี่ยเราให้อภัยใจเราเราก็ให้อภัยทุกคนไม่อย่ามาเก็บไปอะไรก็ตามอย่ามาเก็บในใจต้องเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาจะกระทำเราเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีวามไม่มีเอะไรเหลือในข้างในใจเราไม่แต่เที่ยว เด็ดธุรีเดียวเข้าไปทีดังนั้นเราเป็นชนะได้ไดตอนจเจริญเมตตาคือคือผมเคย อ, อยา่อยางเวลาเขาบอกว่าอุบายใช่ไมหมคะที่ถึงนะ่าคนที่เรารักหรืออะไรเนงะี้ยอย่างพ่อแม่อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ไม่เมตตาที่อยากจะแผ่หรืออะไรอย่างนี้มนะันมันไม่ได้รู้สึกต้องสร้างเราต้องสร้า ง, ต, งต้องสร้างขึ้นมาเมตตาตัวเราอันดับแรกเราต้องเมตตาแน่นอนอนะ เคือเมตตาตัวเราอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์แล้วเราก็ค่อยๆน้อมมาถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์อ้นั้นไอ้นั้นเป็นตัวอย่างเฉยๆเราไปหาอุบายเอาไอ้ในเมตตาทางความเจริญโลกนะเป็นตัวอย่างแล้วเนี่เราก็อันดับแรกรับรองเลยตเราต้องเมตตาตัวเราเราอยากเมตตาตัวเราพ้นทุกข์แน่นอนแล้วเมื่อว่าเราบอกพ่อแม่ก็ไปไม่ถึงไม่ออกเนี่ยเราต้องนึกถึงก่อนนึกถึงตัวเราเมากๆนึกถึงว่าเราเนี่ยปรารถนาให้ตัวเราพ้นทุกข์ ไม่อยากตัวเราใต้องเหมือนกับถูกภูเขาทับไม่อยากตัวเราต้องขับแค้นไม่อยากตัวเราต้องลําบากทุกอย่างลําบากเราไม่อยากเกิด อ, อีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเมตตาเราซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยเราเราก็ค่อยๆแผ่ความรู้สึกของเราเนี่ยออกไปถึงทุกทิศทุกทางถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ทั้งตัวเล็กก็ใหญ่ทั้งมนุษย์เท่ดาอิภูมยมยักษ์เราปรารถนาเขาพ้นทุกข์จริงๆจากใจของเราถ้าออกจากใจได้เมื่อไรเนี่ยแกได้ออกจากใจไม่ได้แกไม่ได้ พอใจเราแข็งกระด้างมากเลยใจของเราในแข็งกระดา้างกระถินเลยเราต้องให้อ่อนได้ถ้าอ่อนไม่ได้มันลุไม่ได้เพราะว่าใจที่แข็งมันแข็งกระด้างมันเหมือนไม้ไม้ไม้แปะลูกอะมาหักไงมันหักถ้าไม้ไม้ไม่ถุงไม่ท่อนหัก เ, เออมันม า, มาดัดก็หักเลยแต่ถ้าเป็นหวายเนี่ยมันหักมันดัดลูกอะไรก็ได้ใจต้องอ่อนพระอรหันตุทุกท่านจิตใจไม่เมตตาสูงสง่ง ต้องเมตตาเมตตาเมตตาต้องเมตตาเมตตาเมตตาปรารถนาให้ทุกท่านได้ดีมีสุขพ้ทุกข์ไม่ปรารถนาอะไรจะใครเลยถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ออกจากใจเราป ร, รารถนาตัวเราปรารถนาอยากให้เราพ้นทุกข์ไม่อยากให้เราเกิด อ, อีกเราอยากพ้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านพ้นทุกข์เหมือนกับเราพ้นทุกข์อย่างนี้ถ้าเราออกจากใจอย่างเนี้ยแก้ได้ทั้งหมดเข้าใจไหม เนี่ยคือทางแก่เออมันจะมีที่ท่านเห็เราเล่าเรื่องพระอรหันต์ที่ท่านช่วยจนที่จะถูกจกับแล้วก็ถูกฆ่าค่ะคือที่บอกว่าตอนี้ตอ น, นคือพระอราหันต์ท่านมองเห็นว่าจนวิ่งผ่านไปทางนี้แล้วรู้ว่าจนมีตำรวตามมาแล้วก็จกับแล้วก็ฆ่าเขาท่านก็เลยยืนขยับเหลีนที่อย่างนั้นนะคะ แล้วก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดผู้ที่บรรลุแล้วทุกท่านที่มาอยู่ในสถานเดียวกัสถานสถานการณ์กันสถานการณ์ไหนถ้าแบบทุกคนเลยที่บรรลุแล้วเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นแบบเดียวกันเลยคะทุกคนจะมีปัญญาเมื่อบลุแล้วจะมีปัญญาจะไม่ไม่ไม่เป็นคนโง่จะเป็นปัญญาจะรู้ว่า อะไรควรไม่ควรปัญญาจะออกมาเองจัดใจทก็เลยเก็เลยมองว่าคือถ้าเกิดเมื่อนั้นแบบท่านอาจจะเรื่อว่าแบบเราจะต้พูดความจริงว่าจนไปทางนี้นแล้วก็เป็นกรรมของเขาเลยหรือว่าท่าจะเป็ช่วยเลยคือถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นคนที่รู้แล้วก็ถ้าจะมีเมตตาแมุ่ณกดไลค์ เพรานก็คือทางออกของทุกข์ปัญหาก็คเมตตาการเมตตาเมตตาคือเมตตามันจะเป็นทางออกเพราะว่าอรหันต์ท่านเมตตาใจใหญ่ไม่ปรารถนาแม้แต่โจรที่ถูกตำรวจไล่วิ่งไล่จับมาที่จะฆ่าเขาท่านรู้ว่าตำรวจต้องถามแน่นอนเลยว่าโจรไปไหนถ้าท่านบอกโจรเขาต้องถูยิงตาย เพ้าความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญญาเองเพราะท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านจะรู้ว่าพอความเมตตาจัดใจเป็นหลักเมื่อเรามีเมตตาเราจะรู้เราจะแก้ปัญหายัางไงแล้วก็เมื่อเรารู้อรหันต์้นมาถึงว่าใจเป็นกลางาเมื่อความเมตตาบวกกับกใจเป็นกลางเลยมันแก้ปัญหาได้สุดโต่งและอันนี้เราใช้ได้ทุกปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นยากที่สุดเพียงใดเรามีเมตตาและใจเป็นกลาง ทำครามสงหมบใจติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอีกคือสังอีกคือสังเคยดูไหนอีกคือสังไหมเออเนี่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปัญหาแกงไงนอย่าเอาใจไปผูกไม่เอาใจไปผูกเพราะถ้าใจผูกไม่เป็นกลางเราเมตตาเขาอะไรเราจะช่วยเขาหนิใช่ไหมจะแก้ปัญหาให้ตกไปปัญหานี่นั้นเป็นแต่ปัญหาของเราแล้วปัญหาคนอื่นเราจะไม่ไม่ทำให้ตัวเราเดื supplier, daily, right? right. อดร <quint aurus. S 2> ้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน ก็เราจะแก้ไงเนาะพอความไม่ตาเนี่ยไม่อยากให้ตัวเราเดือดร้อนไม่อยากคนอื่นเดือดร้อนแต่ปัญหานี้มีเราจะไปต้องแก้ก็บิคิวับติ๊กต๊ิ๊กต๊อกติ๊กตอกิ๊กเชี่ยมองเชี่ยมองเราสมาทิเนี่ยบางครั้งวันเดียวยังไม่ออกขั้นที่สองข้นที่สามข้นที่สี่ทีปิ้งแล้วมันออกมาออกทุกปัญหาดวงตาใช่ไมา่ะบางทีปัญหานี้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ออดมาจากสมองใช่ระบบการคิดไม่ได้อยู่ๆมันออกมาเองออกมาจากใจเอง ซึ่งเป็นระบบของของจิตใจต้องบวกกับอุเบกขาแล้วก็เมตตาแล้วก็ทําเช่นหมองทำสมาธิเช่นหมองไมได้ปะไม่จะไปคิดคิดเอานะเลอคือทำสมาธิเช่นหมองปิตปิตตเอ๊ปัญหานังจ้องไงว่าอย<ว>่างเงี้ยด้วยความเมตตาไม่อยากให้เดือดร้อนลวงตาใช้บ่อยแล้วก็ประสบผลไม่คือสงสัยว่าถ้านําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงจ เรื่องของความเมตตาคือเหมือนเคยเห็นว่าบางคนที่เข า, าเมตตาจิตตัวเองแบบรู้สึกดีแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบเขาอาจจะไม่สนใจนคนเราข้างอย่างมันจะมีวิธีการที่จะเตือนตัวเองหรือว่าดูเองว่าเราผิดหรือจะปรับมาเป็นโตองกลางที่ตรง น, น้างคือเมตตาตนด้วยนะครับเมตตาผู้อื่นด้วยเมตตาตนเมตตาผู้อื่นปรัชนาให้ตนเองและ เราตนเองอปรารถนาตนเองบรญพุ์นิพพานในปัจจุบันพนทุกข์เราเมตตาไม่มันจะตอบเลขตัวใหญ่เท่ากันท่างหร่แล้วปรารถนาเมตตาให้คนทุกข์หมดแต่พระเจ้าตรัสว่าเมตตาต้องบวกอุเบกขาว่าคนทุกคนสัตว์ทุกชนิตมีกรรมเป็นของของตนแม้เราจะมีกําลังมหาศาลเราจะมีเมตตาจิตที่มีอำนาจมหาศาลแต่ไม่สามารถมีกรรมได้ดังนั้นไอ้ตัวเนี้เป็นตัวที่เป็นกลาง เราเมตตาเมตตาทุกคนเลยดงตาไนีเมตตาหมดไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะถึงเทพถึงได้อินพรมยมยักษ์นางกุนบานุกนูลทันทาที่ลวงตาไม่เห็นตัวแผลให้หมดเลยเป็นประจำปรารถนาให้ได้ดีมีสุขพ้นทุกข์แต่หลายคนก็ต้องประสบขอบ้อกรรมก่อนในดวงตาทําใจไม่ได้ ทำใจไม่ได้เลยว่าเราเมตตาเข า, ขาก็ขนาดนี้ใช้อิทธิฤทธิ์ขนาดนี้ใช้อภิญญาใช้ความสามารถขนาดนี้ยังคุ้มครองไม่ได้ยังช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยนมันก็จะทําให้จิตใจเราเศร้าหมองไปด้วยตอนหลังเนี่ยไปอ่านพุทธเจ้ามากเข้าจรู้ว่าแม้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้คือเอมีอยูุ่คนหนึ่งพุทธเจ้าถวายทานททาาาททาพุทธเจ้าเพราะใส่บาปพุทธเจ้าพุ๊บเดินออกไปสุกคนร้ายแข่งตายห่างพุทเจ้าไปนิดเดียว ว่าถูกคนไาน่แทงตาทำไมพระเจ้าจะไปรู้รู้แล้วจะช่วย chứ ทาไมจะช่วยในฤทิ์ของพระเจ้ามาช่วยได้แต่ไม่ช่วยไม่ได้การใ น, นคนหนึ่งก็คือได้มาเหมือนกับจะใส่บาตพระเจ้าด้วยถ้าจะไม่ผิดมาใส่บาตรพระเจ้าค่อยค่อยออกไปหน่อยเนี่ยฟ้าผ่าตา ย, ย่างเนี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นเด็กสาวพระเจ้าไปรออยู่ตรงนี้ ขนาดพระเจ้าเดินเนี่ยเดินได้เท้าเปล่าเนี่ยไประยะทางไกลหลายร้อยโยชน์เพือไปรอเด็กสาวนี่คนเดียวแล้วก็พราชาแล้วคนทั้งหลายเขามารอสายบาดสายบาดเสร็จพระเจ้าก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะเปิดบากเพราะเขอมารอสายบาดพระเจ้าผมไม่ยอมเปิดบาดนั่งนิ่งชหลายคนหลายคนว่าพระเจ้าไม่เคยทําอย่างนี้เลยแต่พุทธเจ้าเนี่ยทําไม่ไม่พูดอะไรไม่เลยจะไม่มีใครเสียงแม่แต่ไอก็ยังไม่มีเลยเงียบกิ๊บเสอพระเจ้า เอราะทุกคนเขารอพระเจ้ามาแต่พระเจ้ามองมองหางก็เลยรู้ว่าพระเจ้ารอคนคนรอคนอยู่โดยถ้ามีเด็กคนนี้มาสายแล้วมาสายเ ด, เด็กเด็กเ้าสาวมาสม า, ายแล้วแล้วก็เอาหารก็ใส่บาตเพื่อเจ้าจะมาชา้ามาชา้าพอเด็กเขาได้มาพุ๊บพระเจ้าเปิดบาตรเลยลเราเจ้ากระถา ถามว่าเธอมาจากไหนอ่ะและ้วเธอมาจากไหนข้าวุฒิเจ้าไม่ทราบค่ะแล้วเธอจะไปไหนอ่ะข้าวุฒิเจ้าไม่ทราบคนในที่นั้นเออเป็นยังไเถามว่าผู้เจ้าสัตรอลักษ่ะยังเล่นลิ้นอีกมามาจากไหนบอกว่าไม่ทราบข้าวุฒธเจ้าไม่ท ร, ราบารแล้วเธอจะไปไหนอ่ะไม่ทราบแล้วตอนนี้เธอทราบหรือยั ง, งว่าเธอ มาจากมาแต่ไหนทราบแล้ ว, ลวเราจจะไปไหนทราบแล้วคนต่างหลเอ๊ะทำไเล่นลินอย่างนี้วะตอนแรกถามตอนแร้บอกมไม่ทราบไม่ทราบเขาทยที่เขาทราบแล้ ว, ลวอะไรอย่างเงี้ยวันจ้าเลยเห็นว่าคนตั้งหลายจะกระจายผิดกันเลยอธิบายบอกว่าเหตุที่ว่าไม่ทราบมาจากไหนไม่ทราบก็เพราะว่าตอนก่อนมันเกิดไม่ทราบมันาจากไหนเราจะไปไหนทำไมจึงบอกว่าไม่ทราบ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอจะไปเมื่อไหร่แล้วจะไปไหนก็ ไ, ไ, ไม่ทราบหมดคือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วทีบอกว่าเราจะไปจะไปไหนก็ไม่ทราบอีกับว่าตายแล้วก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปไหนเขาว่าโอ้คุก็เลยเออแล้วมีปัญญาคนนี้มีปัญญามากเลยแต่พอค่้อยหลังออกจากพุทธเจ้าไป กลับไปบ้านพ่อไอ้เนี่ามาช้ามาโหหิวเอาไอ้กระสวยคว้างเบิ่นอไอ้กระสวยฝ่ายที่เป็นแหลมพุ่งเข้าไปปักที่ท้องตายเลยนี่ยทำไมกน่ะได้พระพุทธเจ้าตรสนาธรรมได้แต่กลับไปเดพ่อเอากระสวยคว้างตายครับเจ้าจมาดักไว้ก่อนแต่ช่วยได้แค่ได้เป็นสวนาบาัน เรจบคำถามพระเจ้าก็เป็นบรรุษสวราบันแต่ไม่สามารถช่วยให้เราชีวิตได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยทำรูปหน้าทำใจได้วระดับพระเจ้าไม่ช่วยให้เขาหล่อชีวิตไม่ได้ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเอนนี้เราจะแผลงในตาไว้ในสมรรถนั้นงตัวราบนั่งตัวรับแต่เรามีใจเป็นอุเบกขาเพราะเห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นขอ ง, ของ